ลักษณะอย่างนี้พอพิจารณาอย่างนี้ก็จะสามารถละพยาบาทได้ประการที่แปดอุบายในการที่จะละความโกรธนี่นียพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวในเรื่องของอนิสงส์อนิสงส์ของการเจริญเมตตาเขาว่าบอกว่าการเจริญเมตตานี่มีอนิสงส์สิบอ็อย่างแต่ถ้าหากว่าเจริญได้แล้วนี่นะสามารถจะมีอนิสงส์สิบอดอย่าง สุขังสุปติสุขังปฏิพุทธชตินาปาปกัรสุปีนางปสติมนุษสานังปิโยติอมนุษสานังปิโยติเดวตารักขันตินักสันา ส, นาสักีวาวิสังวาสตังวากรรมติดูทางกิตังสมาธิมุขวรนโนวิปัสสิตติอาจารย์มุนโนหการังกโลติอุดริงอภดีวิชันโตเป็นต้นเหล่านี้นะเขาเรียกว่าอั น, นิสองสิบเประการสุขขังสุปติเนี่ยเขาเรียกว่านอนเป็นสุข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 เขนอนตะแคงด้านขวาเนี่แต่ถ้าคนไม่เจริญเมตตาจะนอนกลิ้งกลับไปกลับมารอบตัวเลยแล้ว <c oughs> ใครนอนอย่างนี้บ้างไอ้นอนกลิ้งก็เพราว่าเนี่ยที่ตามมาจากการนอนกลิ้งก็คือนอนกลนไอ้ตรงนี้มันบากจนกินไนอนนอนกลนทีนี้ถ้านอกจากกลนก็คือขนาดเมื่อ น, นอนเนี่ยก็หายใจเข้าหายใจออกเสียงดังดังแรงๆเลย อันนั้นบ่งบอกชัดเลยนะว่านอนเป็นทุกข์หายใจเสียงดังแบบอย่างเร็แรงเลยนะนอนกรนเนะ่ยบางทีเป็นเครื่องยอนต์วิ่งเลยเนะี่ยแค่นั่งก็รู้แล้วบางคนนะแค่อย่างถ้านั่งนั่งรถไปไกลๆเนะีย่ยไมา่ก่คนจะนอนหลับก็จะสังเกตได้ว่าคนมีเมตตาไม่มีเมตตาหรือว่าคนละมัดระวังตัวในการนอนดีด้ย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 ประเภทที่ใครอยไปขเคาะตัวเรียกนี่อันนี้ชัดเลยเนี่ยบ่งบอกได้เลยคือพ อ, พอเรียกปุ๊บเนี่ยมีการบิดก่อนหรือว่ารู้สึกตัวมานี่ยังไม่ตื่นยังไม่แต่ถ้าคนเข้าเจริญเมตตาเนี่ยเขาเรียบรอย้อยนอนก็เรียบร้อยตื่นก็เรียบร้อยเออนี่เราก็สังเกตดูตัวเราไม่ยากเลยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมจ๊ะตื่นมางงงีญญ้ไหมรีบไปดูกระจกกรรันลัหน้าตาม ปวดบึ้งเลยตอนนี้แต่เนี้ยกระจกไ้ใกล้ๆดูหน่อยนะแล้วก็จเจริญเมตตาดูแล้วสังเกตดูว่าเปลี่ยนไปจริงๆริงไหมคือเราจะดูดูการไอ้วัฒนาการของการจเจริญเมตตาถ้าเรามาดูกระจกปุบ๊บเออหน้าตาไม่เศร้าหมองเออถ้าถ้าอย่างนี้เริ่มได้ผลแนละ้วถ้ายัางเศร้าหมองอยู่สแสดงว่าเผลอไปสักคืนนี้เอาใหม่ตั้งใจไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวก็ทำได้เออต้อง ต้องฝึกใหม่หมดเลยนะคนเราเนี่ยนะตรงนี้ต้องฝึกใหม่หมดเลยเขาเราียกว่าตื่นเป็นนั้นเมตตาวิหารีบุคคล น, นั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนอย่างตื่นขึ้นมาแล้วสบายอาการก็ไม่น่าเกลียดเหมือนอะไรนะการตื่นเนะี่ยเหมือนดอกปฐมที่กําลังแย้มบานอขนาดนั้นเลยดอกบัวเหมือนดอกบัวกำลังแย้มบานโอ้โหน่ยมองจริงจริ ง, งนีย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 ก็เป็นเหตุแหงความฝันดินน้ำไฟลมมันไม่สมดุลอาหารที่บริโภคมากเกินไปนั่นอย่างนี้นี่นะกินอาหารมากเกินไปมันไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยไอ้นั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ใจอาวรณ์นั่นอีกอย่างโอ้ยคิดถึงเรื่องอะไรมากก็ยเอามาฝันหนะึ่งนึงแล้วก็เทวดาดนใจนี่อย่างหนึ่งแล้วก็กรรมบรรดาเ น, นี่ยนะห้าอย่างเนี่ยนะฉะนั้นในเหตุของความฝันเนี่ย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 ในหลวงนี่มีแต่คนอยากเห็นนะนี่เขาเจริญกลุ่มท่านท่านเจริญเหล่านี้มาเยอะนะแต่ท่านไม่ใช่เพิ่งเจริญชาตินี้นะท่านเจริญมาหลายชาติแล้วใช่ไหมดังั้นเราเราก็มาพิจารณาอย่างนี้ว่าบางบางคนนี่ถ้าจะไปที่ไหนก็มีคนเขาอยากจะชื่นชมก็เหมือนมีสร้อยมุกดาเหมือนมีแก้วมณีเหมือนกับมีดอกไม้ประดับไว้บนที่สักงนั้นถึงว่าเป็นที่รักของมนุษย์ ประการต่อมาก็คือเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเมตตาวิหารีบุคคลเนี่ยเป็นที่รักไข่ของมนุษย์แล้วยังไม่พอเนี่ยยังเป็นที่รักของอามนุษย์ด้วยเออในเล่าเรื่องหนึ่งให้ให้ทราบพระวิสาขาเถระเดิมทีเดียวเนี่ยท่านเป็นเครือขัดนะเป็นครือขบดีคําว่าเป็นครือายบุีเนี่ยก็แปลว่าเป็นคนมีเงินเป็นกูดุมพีอยู่ในเมืองของปาตาลีบุตรในชมพูทวีเป็นคนรวยเนี่ยนะ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 เสนาสนะก็ส ป, ปายะบุคคลก็ส ป, ปายะธรรมะก็ส ป, ปายะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในรังกาทวีปแม้พระพูดอย่างนี้แล้วมันทุกวันนี้มันไม่มีในเมืองแบบนี้เมืองที่มันส ป, ปายาระดับอย่างรังกาทวีปในยุคเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศศรีรังกาเนี่ยแต่ก่อนนี่ส ป, ปายะมากนะีอากาศส ป, ปายาเสนาสนะก็ส ป, ปายาคือที่อยู่สะดวก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 ที่พระอรหันต์เคยเหยียบเดินกันทนะั้งนั้นนี่เขาเรียกสปายะธรรมะก็สปายะหาได้ง่ายมากไปที่ไหนอะพระเจดีเต้ไปหมดนะสมัยก่อนก็นิยมสร้างพระเจดีหรือพว่าฟังพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาว่างั้นเลยนี่เขาเรียกว่าสปายะแล้วก็บอกว่าต้องการจะไปนั่งตรงไหนสะดวกสบายของเอาไปวางไว้ตรงไหนมันก็ไม่หายอย่างทุกวันลองดูดิมานั่งฟังธรรมะ ลองเอาเงินทองไปวางไว้ข้างนอง <c oughs> เรียบร้อยใช่ไหมนี่มันไม่สบายใจอันนี้ไม่สบายใจบางแห่งบางวาดัดก็บอกไปนั่งกรรมฐานเนี่ยเอากระเป๋าสตางค์วางไว้ข้างหน้าห้ามหลับตาหลับตาเดียวหายก่อนนะโอ้ลำบากขนาดนั้นแล้วน่ากลัวจริงในี่ยต่อไปความสุขมันก็น้อยลงน้อยเลยทีนี้กุดุมพีเนี่ยวิสาขาเนี่ย ที่เป็นเรื่บดีเนี่ยตัดสินใจมอบกองทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรภรรยาก็ทิ้งให้หมดเลยมีทรัพย์ทั้งหลายสิบกอดเขาก็บอกไม่เอาแล้วยกให้ภรรยายกให้ลูกหมดแล้วก็มีทรัพย์ขอดติดชายผ้าอยู่เพียงกระหาปะหนะเดียวโหใจถึงมากเนโอยหามาทั้งชีวิตแล้วบอกไม่เอาแล้วเอาหนึ่งกระหาปะหนะกล้าทํำไหมเนี่ยใครกล้าทำเลย เก่งมากนะโอหามาแทบแย่เลยเนะี่ยบอกว่าถึงบ้านปลายชีวิตออกไม่เอาแล้วจะไปจะไปบวชแล้วเอาไปหนึ่งกหาปะนะออกจากบ้านไปคอยเรืออยู่ที่ท่าหมหาสมุทรประมาณเดือนหนึ่งเดือนไม่ออกง่ายเนี่ยแล้วมีเงินอยู่บาทเดียวลงคิดเดือวหนึ่งกหาปะนะประมาณบาทสมมุติอะสมสมุติว่าเป็นบาทเดียวที่จริงมันมันหลายบาทนะกหาปะนะมีแค่หนึ่งกหาปะนะแต่ต้องไปอยู่เดือนหนึ่งก็ทํำยังไงรู้ไหม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 ต่อมาเขาก็ได้ขึ้นเรือไปยังวัดมหาวิหารในรังการทวีโดยลนดับพอไปถึงแล้วท่านก็ขอบวชเมื่อพระอุปชาพาเข้าไปยังสีมาเนี่ยเพื่อจะทำการอุปสมบทหรือบวช เ, เขาก็เลยเอาทำหอ่หอห่อรัพหนึ่งพันกะหาไปะนะล่วงลนภายในเกลียวผ้าตกลงที่พื้นคือเงินก็เลยตกลงมาใช่ไหมในขณะที่เดินก็ไปในโบสถ์ พระอุปช่ายก็บอกว่านั่นอะไรเขาก็บอกว่าทรั์จํานวน 1, หนึ่งพันกหาบันะัพระอุปชาเขาแนะนําบอกว่าอุบาสกทรพัพย์นี้บัตรนี้นับแต่เวลาที่บวชเธอไม่อาจจะใช้จ่ายได้จงใช้จ่ายเสียเดี๋ยวนี้ก็บอกว่อถ้าบวชแล้วไม่ได้ก็ห้ามพระเขาไม่ให้พระใช้จ่ายเงินมันเป็นอาบัตมันผิดจริงๆอย่างเงินเนี่ ย, นนยไม่ควรให้พระเกี่ยวข้อง ถูกต้องอย่างพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะอย่าไปให้พระเกี่ยวข้องเงินดีดีที่สุดถ้าพระมีเงินไม่ดีพระมีเงินไม่ดีพระต้องไม่มีเงินถ้าพระมีเงินแล้วเดี๋ยวคิดมากเดี๋ยวพระคิดมากแล้วมันมันมันวุ่นที่ที่มีปัญหาเพราะว่ามีเงินถ้าไม่มีเงินเสียเนี่ยสบายแล้วดี mm. ก็ไม่มีเงินจะทําไงเงินงต้องไม่ให้มีนี่เป็นอย่างนี้แล้วทุ เมื่อถ้ามาพิจารณาตรงนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยเอิมคนไม่ค่อยทําตามกันเนี่ยก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนใ น, เ, นเรื่องเงินในเดือดร้อนกันเนยอะทีนี้แต่ว่าเขามีแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยแต่เขาจะต้องแต่เขามีเหมือนเป็นวิทยากรงันเน่ยเขาจะอันนี้เขาจะดูแลค่าน้าําค่าอะไรต่างๆให้ได้แค่นั้นเนะ่ยพอแล้ว ไม่ต้องมีอะไรมากท่านต้องการจะศึกษาวัฒนธรรมต้องการจะอะไรต่างเราก็อำนวยความสะดวกให้ทำศรัทธาตามอะไรถ้าทำแค่ตรงนั้นน่ะถือโอเคแล้วอันนี้ถ้าไปบอกว่าถ้าไปให้มีเงินมีทองก็จะยุ่งเลยอย่นี้เดี๋ยวอะไรตามมาเยอะทําไม่ให้มีแต่ดีแรกก็เลย ด, ดีนี่เหมือนกันเพราะมันไม่ถูกต้องตามวัฒธรรมที่ไหนทีนี้ท่านก็เลยคิดบอกว่า ซับจำนวนหนึ่งพันกหาบรรณานเนี่ยนะท่านก็คิดว่าคนทั้งหลายที่มาในงานบวชของวิสาขะจงอย่าได้มีมือเปล่ากลับไปเลยท่าเคตอย่างเนี้ยครั้นแล้วท่านก็แก้ห่อทราบนั้นหวานโปรยทานในโลงโวงวัวสถแล้วก็บรระชาวยสมเงววินบอกเออถ้าใครมางานบวชของตอนเองอย่าได้มีมือเปล่ากลับไปนะโปรยเงินเลยทุกคนก็เก็บเงินกันท้องใสเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมั้งเลยเป็นประเพณีมาเลย สงสัยท่านวิสาขานี่แหละเป็นคนแรกเลยเลยมีการโปรยทานบวชกันด้วยทุกวันนี้วิ่งชนกันหัว <c oughs> ลําบากเลยทานอะไรก็ไม่รู้วิสาขาภิกษุเมื่อบวชแล้วได้ห้าปีเนี่ยก็ท่องมารดิกาทั้งสองคือภิกขุปาทิโมกและภิกขุณีปาทิโมกได้อย่างคล่องแคล่เวเอื้นบวชห้าปีนี่ก็บวชแล้วเรียนก่อนห้าปีเขาศึกษาพระธรรมอยู่ห้าภาษาเนี่ยนะแล้วก็เตรียม เรียนเอากรรมฐานเป็นที่สปายะเหมาะแกัธยาสายของตนแล้วก็ไปไปมามาหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาอยู่วัดละสี่เดือนอยู่วัดละสี่เดือนเนี่ยอยู่วัดนี้สเดือนวัดนั้น4เดือนเป็นต้นเหล่านี้นะปีหนึ่งได้สามวัดจริงๆเขาผัดเปลี่ยนไปอยู่ตามวัดต่างๆวันหนึ่งได้เห็นสถานที่ระหว่างป่าอันเป็นที่ระมนยสถานน่ารื่นลมแห่งหนึ่งนั่งเข้าสมาบัต หน้าที่ต้นไม้ต้นหนึ่งในระหว่างป่านะแล้วก็ออกจากสมาบัติขณะที่อยู่ระหว่างปา่าพิจารณาดูคุณของสมุทัยของตนแล้วก็เกิดปีติโสมนัสบรรลือศียาธาตกล่าวเถร่าพาสิตว่าตลอดเวลาที่เราได้อุปสมบทมาเนี่ยระยะเวลาที่เราบวชมาอยู่หน้าที่นี้ความประมาทพลาดพลั้งของเราในระหว่างนี้ไม่มีเลยช่างเป็นลาภของเราแท้ๆเนาท่านพูดนี่ะทุกข์ พระวิสาขาเถระเมื่อเดินทางไปยังจิตตะลาบันพศทั้นไปถึงทางแยกสองแพ่งยืนคิดอยู่ว่าทางที่จะไปวัดจิตตะลบันพศนั้นจะเป็นทางนั้นหรือว่าทางนี้หนอขขณะนั้นรุ ก, กเทวดาที่สิงอยู่บนภูเขาได้เหยียดพระหัตออกแล้วก็บอกกับพระเถระว่าทางนี้เจ้าข้าโอโ้เทวดาบอกเลยเนี่ยบุญเนะเทวดาบอกทางพระเถระก็ไปถึงวัดจิตะลบันพศ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 อยู่ตรงที่จงกรมเนี่ยนะพระเทลัจึงถามบอกว่าเออ น, นั่นใครเนี่ยเทวดาก็ตอบว่าดิฉันมณิลยยาคำว่ามณิลิยาเนี่เป็นชื่อของโลกเทวดานะระเทลัก็ซักว่าเธอร้องไห้ทาไมเทวดาก็เรียนว่าเพราะอาศัยเหตุที่พระคุณเจ้าจะจากไปเจ้าค่ะพระเทลัก็ถามว่า เมื่อฉันอยู่นะทีนี้เป็นคุณประโยชน์อะไรแกพวกเธอหรือเทวดาก็เรียนต่อบอกท่านข้าวเมื่อพระผู้เป็นเจ้าอยู่พื้นที่ที่ตรงนี้พวกเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายต่างก็มีเมตตาอารีต่อกันเลยมองเห็นอยังเนี่ยคือตอนที่พระเถระอยู่เนี่ยโอยคนที่ขัดแย้งกันเนี่ยก็เลิกการขัดแยง้งคนที่ไม่ถูกกันเน่ย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 ก็อย่างนี้อย่างนี้ทําได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่ต้องเจริญเมตตาจริงๆนะึ่งหอก็ของแบบนี้มันน่าทำเหมือนกันนะนะกลับไปแล้วไปอมปล ม, ปลมจเจริญเมตตาจริงๆว่าตระกูลไม่ทะเลาะกันนะคือปกติเนี่ยบอกว่ากลุ่มลุกเทวดาทั้งหลายก็พูดจาหยาบคายเสียหายแก่กันแล้วกันแต่ถ้าหากว่าพระคุณเจ้าอยู่สิ่งต่างๆเหล่ า, านี้ต้องไม่มี พระเถระจึงได้บอกแก่เทวดาถ้าฉันอยู่นะที่นี้ความพาสุขสาราญมีแก่พวกเธอฉันฉันดีใจมากดังนี้แล้วก็ก็อยู่ที่นั้นอีกสี่เดือนพอครบสี่เดือนแล้วก็จะจากไปอีกเทวดาก็มานั่งร้องไห้อีกเนะี่ยและในที่สุดจริงๆเทวดาเนี่ยออพระเถระเนี่ยก็เลยต้องอยู่ที่นั่นตลอดไปเลยแล้วก็ได้บรรลุเป็นพาระาอรหันต์หน้าที่ตรงนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย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 ท น, นี้ถ้าเราไม่มีคนคอยตามรักษาถ้าเราไปจ้างมีเงินไปจ้างคนอื่นดูแลรักษาเนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยนะแต่ถ้าเราเจริญเมตตาเนี่ยเทว ด, ดาไม่ต้องจ้างใช่ไหมไม่ต้องเสียงเงินเดือนเนี่ยเขาด้วยโอ้าเราจะหาคนลูกน้องหาแรงต่างแล้วต้องจ่ายเงินรายเดือนเนะแต่ถ้าเราเจริญเมตตานี่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเพียงเจริญเมตตาแค่นั้นแหละแต่มีคนคอยตามดูแลเราคิดดู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 เทวดารักขันติไปว่าเทวดารักษาแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณมีเมตตาใจเมตตาในใจนะี่ถ้ามีเมตตาในใจอยู่สม่ำเสมอเนี่ยเทวดาจะคอยตามรักษาอยู่นะเหมือนพระสุวรรณสามใช่ไหมเทวดาคอยรักษาขนาดโดนธนูตายไปแล้วยังฟื้นขึ้นมาได้มีเป็นอย่างนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องพยายามบ่มอบรมจเจริญเมตตา ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยให้เป็นไปกับเมตตาเยอะๆแล้วก็มาบวกลบใช่ไหมเมื่อเช้านี่ฟังท่านเจ้าว่าท่านพูดว่าเออโทษนิวังงั้นเวลาเราจุดโูษเนี่ยไอ้ขี้โูษมันก็หมดไปเล ย, น, ยเนั่นเขาใจโอมานะอันนี้ไปเจออยู่ในวิปัสสนาไอ้โทษมันมันหมดหมดหมดหม ด, หมดไปอันี้มันไอ้ที่มันหมดไปก็กลายเป็นขี้โูษ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 ในตัวของเขาไฟไม่กล้ำกลายเข้าไปในกายของเมตตาวิหารีบุคคลเช่นอุบาสิกาเช่อุตราเป็นตัวอย่างเออไฟไม่กล้ำกลายเนียาพิษไม่ทราบเข้าไปในร่างกายของเมตตาวิหารีบุคคลเช่นจูศีวะเถระผู้ชํานาญ ส, สังยุตตินายเป็นตัวอย่างสตราไม่บาดร่างกายของเมตตาวิหารีบุคคลเช่นสังกิจจาสัมมเนนเป็นตัวอย่างเออถ้าคือ อย่างนางอุตราเนี่ยนางอุตราเนี่ยพวกน้าร้อนเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่ก่ํามไกลานางนที่นางสลิมาเอาเอ า, เอาน้ําร้อนไปสาดนั้นนางอุตรานี่เป็นบุคคลที่เจริญเมตตาอยู่เป็นนิสสีนี้อันนี้พิสูจน์ได้เลยน ะ, ะไม่ใช่เป็นของพูดเล่นๆ น, นะพูดจริงๆเลยนะแต่แต่มีข้อแม่นะว่าตอนนั้นใจต้องมีเมตตาอยู่นะ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 เนื่องในใจหญิงถอยเอ๋ยเนี่ยนะโง่จริงๆว่าว่าภรรยาตัวเองเนี่ยทรัพสมบัติก็มีเงินทองก็มีแทนที่จะหาความสุขในชีวิตประจำวันกลับไปทนลำบากเพราะส ม, มณะศรีรษโล้นเนี่ยเ น, ย เ, นยเออก็หัวเละาะส่วนนางสดรีมาก็นึกโกรธเคืองขึ้นมาว่าเราประครบประงมมาเนี่ยนยะเลยสำคัญว่าเป็นสามีของตัวเองจริงๆ แล้วคนเราเวลาทํำไปทำมามันเพลินเงี้ยนึมันสำคัญผิดนึกว่านี่ใช่ของเราอะไรเงี้ยนึงเพาตั้งสามเดือนใช่ไหมอยู่อยู่ตั้งสามเดือนก็เลยสําคัญทึกทักก็เห็นเงินโกรธเลยเนึกว่าเอ้ยยังไปยินดีกับหญิงคนนี้เราสวยขนาดนี้ไปที่นางกําลังทําอาหารอยู่ใช้กัตักน้ําร้อนแล้วก็พอเดินเข้าไปเนี่ยนางอุตาลาโลแล้ว ก็ยืนสงบนิ่งแล้วก็ทำเมตตาให้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับนางสลีมาว่าโอ้พอได้นางนี้เองเราจรึงได้มีโอกาสทำบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นเหล่านี้นะฉะนั้นขอให้นางมีความสุขความเจริญแรงต่างเนี่ยนะเออเป็นน้ำธรรมดาเลยนะศาส菩萨มาเป็นน้ำธรรมดาเลยอันนี้ต้องทดลอง <laughs> ต้องทดลองเอาใครเดียร์ไ <laughs>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 ความที่แม่โคตัวนี้มีใจรักลูกที่มีเมตตาต่อลูกกำลังให้นมลูกอยู่เมตตามีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ถึงอย่างนี้ขนาดสัตว์เดรัจฉานยังป้องกันตัวเองได้แม้ขณะที่ตนเองกำลังทำใจรักลูกอยู่ตอนนั้นน่ะในพานเอาหอกทิ้มเต็มที่เนี่ยไม่เข้าแต่ไม่รู้ครั้งที่สองเข้าบ้างหลังจากตกใจ้วแต่ครั้งแรกนะ่ไม่เข้า เขาตอนนั้นใจเป็นไปกับเมตตาโอ้โหถ้าอย่างนั้นเน่ยนะคนบางคนเขาบอกโอ้โหเขาไปหาไอ้อพระป้องอายุยงคงกระพันกันใช่ไหมโอโ้ไม่ต้องหาเลยแต่เนี้ยเนี่ยเจริญเมตตาเนี่ยเออไม่มีใครทําร้ายได้แต่มีข้อแม่อีกเหมือนกันว่าใจาต้องเป็นไปกับเมตตานะเออใจถ้าใจาเป็นไปกับเมตตาเจริญเมตตาดีๆแล้วไปอยู่ภาคใต้กันเยอะๆ <c oughs> ไม่เป็นอะไรเลย กดระเบิดไม่ติดแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ได้ไปพูดเป็นเล่นเป็นพูดที่พูดจริงๆมีนัยยะเหมือนเล่นแต่จริงเพราะว่าเมตา ม, ม, มีมีมีอนิสงส์นี่คนไม่ค่อยอบรมไม่ค่อยเยริญกันจริงๆก็ไม่เห็นอนิสงส์ของเมตานี่ประการที่แปดก็คือว่าจิตเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วอธิบายว่าเมื่อพิจารณากรรมฐาน จิตของเมตตาวิหารีบุคคลก็เป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วนี่ไม่มีความเฉยชาเลยก็หมายความบอกว่าถ้าลองเจริญเมตตาให้เป็นอัธยาศัยดูแล้วกลับไปเจริญสมาธิดูเนี่ยแล้วจะรู้สึกว่าเออตอนเองเนี่ยจิตนิ่งเร็วมากแล้วเวลาอยู่ต่อหน้าคนก็นี่เช่นอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆนี่นะไม่น่าจะนิ่งแล้วน่าจะโอ้โหฟุ้งต้านฟังคนนัน้นคนเนี้ย ถ้ากำหนดความรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันดิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวในขนาดนั้นเลยอันนี้เขาสอบได้เลยเอาตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือมั้าว่าจิตนั้นสามารถรวบรวมเป็นสมาธิได้เร็วมากปั๊บเดียวแค่ท่านเองเป็นสมาธิแล้วเพราะว่าฝึกได้ดีเพราะว่าใจเป็นไปกับเมตตาเมตตาเป็นกุศลจิตนี่เพราะกุศลจิตเกิดขึ้นก็มีอะไรกายะปัสสติจิตตะปัสสติกาย ะ, ะ, ายะละหูตาจิตตะละหูตากายุ มูทูตาจิตตัมูทุตาเป็นต้นอยู่ไหมคือความเบาของจิตความสงบของจิตความควรแก่การงานของจิตของเจดสิกเบนตอร์เหล่าเนี้ยมันก็จะมาประคับประคองจิตที่เป็นใบกับเมตตาที่เป็นใบกับกุศลเมื่อกุศลจิตที่เป็นใบกับเมตตาเกิดอย่างต่อเนื่องนี่นะไอ้ตรงเนี้สมาธิจะเกิดเลยพอจะแห่งจิตลงสู่สมาธิไม่เชยชาเลยยังเชยชาในบางคนทำสมาธิก็ไม่ได้ จิตจะเป็นสมาธิสักหน่อยก็ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่อบรมไม่เจริญไม่ได้ประการที่เก้าผิวหน้าพ่องใสผิวหน้าพ่องใสบาลีว่าไงมหาบาลีว่าไงนน อ, อมกขวันโนใช่มุมขวันโนหมายความบอกว่าวันหน้าผิวหน้าผ่องเออถึงอายุมากก็ผ่องเอ อ, อย่างนี้ดีนะ เป็นผู้สูงอายุกันก็เป็นผู้สูงอายุที่หน้าตาฟองใสใช่ไหมเออมันดีตรงนี้เขาเรียกว่าเตรียมตัวไว้เตรียมตัวให้ลูกหลานเขาชื่นใจอะโอ้ป้าเอยยายเออหนะ้าเอยผิวหน้า่องใสแนะ่อะไรเงี้ยที่ไหนได้เรามีเมตตาจากเมตตาในจิตเพราะเราจะไปมัวใสเครื่องประดับข้างนอกให้ฟองใส น, นี่ไม่ใสแน่นอน เดี๋ยวก็ต้องล้างออกเดี๋ยวก็ต้องล้างออกแต่ว่าถ้าจเจริญเมตตาแล้วผิวหน้ามันจะผ่องใสเมตตาวิหารีบุคคลมีผิวพรรณผ่องใสเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนตาลสุกที่หล่นจากขั้วใหม่ๆเนี่ยใสอย่างนั้นเละก็ไปดูตาลสุกที่มันหล่นใหม่ๆมันใสอย่างไงจะจะเป็นลักษณะอย่างไงแหม่พบฟังแล้วมันอยากจะทำให้มันได้เดี๋ยวนี้เลยเนะี <c oughs> เป็นอย่างนั้นไหม อยากให้ทำเป็นจริงเป็นจังเดีย๋ยวนี้เนะ่ยเนยึกในใจก็ย้อนมาเมื่อสามสิบปีที่แล้วถ้ารู้ว่าเมตตาดีอย่างนี้ปันณิกองไม่เป็นแบบนี้ก็นี่นี่ไม่รู้อ่ะผู้บรรยายก็ไม่รู้นะศึกษาพระธรรมก็เลยไปเลยมาอยี๋ยนี้แหละไม่รู้นะว่าเมตตาดีขนาดนี้ลืมคิดมาแหมทั้งนั้นไม่ปล่อยให้สมขนาดนี้เอาไม่เป็นไรใช่ไหมถึงรู้สายก็ไม่เป็นไรตั้งตั้งตัวใหม่ตั้งตัว เมื่อสามสิบปีที่แล้วไม่รู้แม่ถ้ารู้เมื่อสาสิบปีที่แล้วนี่สบายแล้วตอนนี้ผิวหน้าไม่งั้นผิวพรรณไม่ไม่ดูหน้าเกียดอย่างนี้นี่ประการที่สิบก็คือว่าไม่หลงทำการกิริยาทำว่าไม่หลงทำการกิริยาอธิบายว่ายังไงตายด้วยการหลงย่อมไม่มีแก่เมตตาวิหารีบุคร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 มันมีอีกคนคนหนึ่งเขาเล่าอีกตอนเราบอกท่านถ้าโยมตายเนี่ยเด็แกแกบอกก็สังลูกสั่งหลานก็นไวถ้าถ้าตายแล้วมันดูไม่ดีนี่ท่านอย่าไปดูโย ม, มนะมวยอายหน้าดูเลยก็เออตายยังกลัวท่าไม่สวยอีกคนบางคนขนาดนั้นเลงเออมันมีนะมีบางคนที่เขาเขาเขาเขากไอ้รับย้างแต่งศพเลยเนะ เขาต้องการให้ศบสวยเออแต่งยังไงมันก็ไม่สวยนะคนตายแล้วในะแต่งไม่สวยแต่งยังไงก็ไม่สวยปล่อยเออไม่เป็นไรแล้วไปเป็นอาจารย์ใหญ่ดีกว่าตายแล้ว <c oughs> อาจารย์ใหญ่จะอยู่ตามโรงพยาบาลสิริราชบางโรงพยบจุฬาบางจุด น, นอันนี้เขาเรียกไม่หลงไม่หลงตายไม่หลงทํางานกเกริยาประการที่สิบเอ็ดเมื่อไม่ได้บรรลุ ค, คุณธรรมเบื้องสูง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 ถ้าไม่บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงอย่างต่ําก็ไปเกิดในพรมมโลกก็พิจารณาถึงอานิสงส์11ประการนี้บอกถ้าเจ้าจากไม่ทําจิตที่โกรธแค้นอยู่นี้ให้ดับไปแล้วเจ้าจากเป็นคนอยู่ภายนอกอนิสงส์11ประการนี้ก็ก็เตือนตัวเองอย่างเงี้ยเออถ้าโกรธอยู่นี่นะอานิสงส์11ประการนี่เจ้าไม่ได้กินรอกภาษาชาวบ้านก็ไม่ได้แอ้มหรอก พูอย่างั้นนะคือไม่ได้กินนะใช่ไหมดงั้นเราก็เอามาขู่ตัวเองบ่อยๆตรงก็อยากจะเจริญเมตตาต่บอกเอ้ทำยังไงก็ใจก็ไม่เอาใช่ไหมก็ท่องอ น, นิสงส์ส1บประการบอกเ น, นี่ยอนิสงส์สิเอประการนี้อยากได้ไหมอย่างนั้นนะปรารถนาไหมนอนเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์หนึ่ง เทวดาเฝ้ารักษาไฟยาพิษศัทธาไม่ทำร้ายจิตเป็นสมาธิผิวหน้าผ่องใสไม่หลงทำการกิริยาถ้าไม่ได้คุณธรรมเบื้องสูงอย่างตาำเป็นพระพรเนะพิจารณาอย่างนี้ก็ ก, ก, ก็ทำให้เราอยากจะอยู่กับเมตตานะีอันนี้เอามาสาธยายเอามาตรึกบ่อยๆแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่การทำให้เราเจริญได้ถ้าหากไม่คิดเรื่องเหล่านี้นะมันก็ไม่เอาใจอยากเอาที่ไหนเพาเราคิดเรื่องอื่นมาตลอดใช่ มันคิดเรื่องอื่นจนชินหมดแล้วใจของเราเนี่ยมันไม่คิดในเรื่องกรรมฐานเท่าไหร่ประการที่เก้าาโยคีบุคคลไม่สามารถที่จะทำความโกรธแค้นให้ดับลงด้วยอุบายวิธีดังแสดงมานี้แล้วก็ถือเอาคู่เวรมาพิจารณาแยกให้เป็นเพียงสักแต่ว่าท่าต่วนหนึ่งเท่านั้นเออพิจารณาท่าพิจารณายังไงนี่แน่พ่อมหาจมเิน อันนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตั้งประเด็นตัวเองเอาเองนะแม่หาจําเิญพ่อมหมาจมเลนก็ตั้งไปเรื่อนตัวเองเนะี่ยเมื่อเจ้าโกรธคู่เวรของเจ้านะเจ้าโกรธอะไรของเขาเล่าเพราะงั้นนะในอาการสามสิบสองนเจ้าโกรธผมหรือขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามโกรธหัวใจตับพังผืดไตปอด หรือว่าโกรธไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่มันสมองเจ้าโกรธดีโกรธสเลตหนองเลือดเหงือมันข้นหรือหรือว่าโกรธน้ําตาลน้ําเหลวน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ํามูดหรือเจ้าโกรธธาตุดินธาตุน้าําธาตุไฟหรือโกรธธาตุลมว่างั้นก็เอาธาตุเหล่านี้มาแยกแยะมาพิจารณามาไข้ควรอย่างโยงมพิมพ์ก็มาพิจารณาบ่อย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 ที่เราโกรธตับไตปอดพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอ่ารใหม่อ่ารเก่าหรือน้ําตามันน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ําไข่ข้อหรือว่าโกรธธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเอามาวิจัยอย่างนี้เนี่ยแล้วแล้วเราเล่าพิจารณาอีกสักถ้ายังไม่หายโกรธเอาขันห้นาอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดมาวิจัยต่อบอกว่าเออเจ้าโกรตรูปประขันหรือวะเนี่ยในบรรดารูปประขันรูปยี่สิบแปดเนี่ยมหาโพธิรูปสี่อุปาทายรูปยี่สิ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 แล้วกดรูปเขาหรือกดตาของเขากดหูของเขาหรือกดเสียงของเขาเห็นไหมกดจมูกหรือกดกลิ่นกดลิ้นหรือกดลอดกดกายหรือกดผัสสะกดใจเขาหรือโกดธรรมารมต้องๆก็ไปแยกแยงหรือกดจักขู่ธาตุหรือรูปธาตุหรือจักขูวิญญาณธาตุหรือโสต่ธาตุสถธาตุตัต่วิญญาณธาตุขานะ คานาธาตุคันธาตุคานวิญณธาตุชิวหาธาตุพระสาธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโภถพาธาตุแล้วก็กายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุก็ไปได้พิจารณาลักษณะอย่างเนี้ยพโยคีบุคคลพิจารณาแยกแยะยกคู่เวนั้นออกโดยสภาวะที่เป็นธาตุคือเป็นเพียงชิ้นส่วนอันหนึ่งหนึ่งประกอบไปไว้ด้วยแสดงดังที่กล่าวมาเนี่ย ปัญญาไปพิจารณาชาติทราบชัดว่าฐานสําหรับที่จะรองรับความโกรธย่อมไม่มีในคนคู่เวรนะั้นถ้าไปแยกแยะพิจารณาอย่างนี้ไม่มีฐานไม่มีที่รองรับที่เราจะไปโกรธใช่ไหมแหมที่เราโกรธเพราะเราแยกชิ้นส่วนเขาไม่ได้หัดแยกชิ้นส่วนให้ได้แล้วเราเก็จะไม่โกรธอารมณ์นะั้นอันนี้คือกลุ่มผู้มีปัญญานที่จะพิจารณาอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ยากอันนี้หมายความว่ากลุ่มที่พิจารณ า, านี้ได้ก็แปลว่า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 พร้อมกับเรียนว่าบาทนี้มีราคาแดกระหางไปะนะอุบาสิกาซึ่งเป็นโยมหญิงของกระผมถวายเป็นลาบที่ได้มาโดยชอบใจขอท่านได้กรุณาทำให้เป็นบุญยาลาบแก่มหาอุบาสิกานั้นด้วยเทอขึ้นชื่อว่าการให้ปันสิ่งของด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่เชะนนี้ยโบราณอาจารย์ท่านประพันธ์เข้าไว้บอกว่าอาทันตะธมนาังทานัง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 แต่เราไม่ได้ไปโกรธเขาแต่รู้ว่าเออคนนี้เขาไม่ค่อยพอใจเราเนี่ยเนี่ยแต่ขอให้รู้แค่นั้นเนี่ยก็จะพยายามคิดหาอะไรดีนะที่คนคนนี้ชอบอันนี้นะเราที่สังเกตแล้วก็เคยทำมาบ่อนอพอรู้ว่าเออท่านผู้นี้ชอบอันนี้ก็เอาไปให้เดินเดินไปเอปเอนี่ให้นี่เขาดีใจใหญ่นะก็ดีใจบางทีบางทีเคยเคยเรียกมาก็มี เคยเรียกมาลองอยากอยากดูสีหน้าดูอ๋อได้ข่าวว่าอชอบตำชอบตาหนีชอบอะไรต่างๆอ๋อให้ของเลยอเขาเชื่อใจใหญ่เลยนะเขาเอาทันทีเลยนะนึกอ้อเนี่ยมันช่วยได้ย่างๆีล้วไม่ใช่ไปกลัวนะคนว่าหรือคนตำหนีแต่เพียงว่าไม่อยากให้เขาทำบอกใหญ่เขาได้บุญแล้วเขาจะหารตรงนี้เราก็ไปพิจารณาก็ไปแยกแยะแล้วก็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 มีความรักเสมอเสมือนกันหมดเลยทีนี้เมื่อมีความรักเสมอเหมือนกันหมดถ้ามีโจรมาบอกว่าเออท่านอยากให้เราฆ่าใครในสี่คนเนี่ยตัวท่านเองคนที่ท่านเคารพรักคนที่เป็นกลางๆงคนที่เป็นคู่เวรถ้าคนที่เจริญเมตตาบอกว่าคนโน้นคนนี้แสดงว่ายังไม่ถึงสีมาสำเพอการจะถึงสีมาสำเพอได้นั้นเน่ยจะต้อง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 โยคียบุคคลผู้เจริญเมตตากรรมฐานเนี่ยสำเร็จถึงขั้นปฏิภาคคณิมิตหรืออุปจารสมาธิแล้วเนี่ยทั้งนี้ตลอดเวลาที่สีมาสัมเพชยังเป็นไปอยู่อย่างสม่ำเสมอนั้นอธิบายบอกว่ากรรมฐา น, นอื่นๆเชน่นกสินเนี่ยนะกนสินกรรมฐานหรือว่าพวกปัทวีอาปเทโชนเนี่ยปฏิภาคคณิมิตปรากฏให้เห็นเป็นอารมณ์ของฌานจิตคือเด่นชัดในอารมณ์นั้นเลยใช่ไหม ถ้าพวกกรรมฐานอื่นๆโดยอาศัยอุกขานิมิตนิมิตที่มาด้วยภาวนาซึ่งเรียกว่าดวงกสิณเป็นต้นนะส่วนเมตตากรรมฐานเนี่ยไม่มีปฏิภาคคณิมิตปรากฏให้เห็นเหมือนอย่างนั้นแต่สีมาสัาเพสอันมีลักษณะดังแสดงมาแก่บุคคลที่บรรลุแล้วจัดเป็นปฏิภาคคณิมิตในที่นี้ได้ลักษณะอาการคล้ายกับปฏิภาคคณิมิตในกรรมฐานอื่นเพราะว่าเมื่อโยคียบุคคลเจริญเมตตากรรมฐานจนสำเร็จถึงสีมาสําเพสแล้วเนี่ย ด้วยเหตุที่ภาวนานั้นมีกำลังแกล้าไอตัวนิวรธรรมนคือกามฉันทาพยาบาทถีนมีท่าอุทะจะกุกุจจะและก็วิจิกิจฉาก็จะสงบลงอันเป็นสตูของฌานนั้นนะพโยคีบุคคลสามารถข่มกิเลสข่มนิวรธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในฐานะเป็นจิตที่แนบหรือเป็นอุปจารสมาธิเป็นต้นฉะนั้นคำว่าสีมาสัมเพสก็แปลว่า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 ไดทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่าได้หมดทุกทิศเลยเนี่ยนะถือว่าโอเคใช้ได้แล้วฉะนั้นประโยคีบุคคลเจริญกรรมฐานถึงขั้นสีมาวสัมเพสนั้นคราวนี้ทําสีมาสัมเพสนั่นแหละให้เป็นนิมิตกรรมฐานแล้วพยายามซ่องเสรนิมิตนั้นให้มากขึ้นทําให้เจริญขึ้นเพียรให้มากมากซแล้วซ้ําเล่าประโยคีบุคคลก็จะบรรลุถึง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 ฉันเมตากรมาฐานเนี่ยสามารถยังปทโหมชาตทุติยชาตตัดยชาตชาิเป็นต้นนี้เกิดชานที่หนึ่งสองสามสได้นี่ยตามปัญจมัยในทีนี้อย่างเราท่านทั้งหลายที่ยังไม่สามารถจะทําชาติจิตให้เกิดขึ้นก็ต้องอบรมมือเจริญให้ได้เป็นไปตามลําดับเมื่อทําให้เป็นอัธยาศัยแล้วก็จะอํานวยประโยชน์ได้อีกเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเวลาต่อไปนี้ก็ให้อบรมแล้วก็เจริญกรรมาฐานกันสักพักหนึ่งแล้วจะได้แผ่เมตตา อุทิศตนกุศลต่อไป